ข้อความในพุทธวงต่อจากครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ควรแก่การเคารพนบน้อมทุกอย่างพระธรรมสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวคํานอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การชมควรแก่การสรรเสริญควรแก่การนบควรแก่การน้อมควรแก่การบูชา ค่าแต่พระมหาวีระชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ควรแก่การไหว้ในโลกชนเหล่าใดควรซึ่งการไหวพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าชนผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีเลยอธิบายว่าอภิวาทนังพระองค์นี้เป็นผู้ที่ผู้อื่นควรแก่การกราบไหวอย่างเดียวเพรานนั้ผู้ใดที่จะกราบจะกราบด้วย องค์มจะกราบด้วยองค์าจะกราบด้วยองแปดก็ตามพระพุทธเจ้าสมควรกับการกราบที่สุดนะเนี่ยนะหรือว่าการชมเชยถ้าหากว่าจะมีการกล่าวชมผู้ใดผู้หนึ่งรับหลังไม่ได้กล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรชื่นชมรับหลังที่สุดเป็นผู้ที่บุคคลจะกล่าวว่าจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตารับหลังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกล่าวถึงที่สุดเนี่ยนะด้วยเมตตาหรือ บุคคลที่ควรแก่ ว, วันธนาวันธนาก็คือการกราบการไหว้นั่นแหละก็คือนอบน้อมถ้าจะวันธนาผู้ใดเนี่ยนะผู้ที่ควรแก่วันธนาที่สุดพระพุทธเจ้าควรแก่การวันธนาที่สุดประสังสนังก็คือการสรรเสริญยกย่องต่อหน้าถ้าจะกล่าวชื่นชมผู้ใดผู้หนึ่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรชื่นชมควรแก่การสรรเสริญต่อหน้าที่สุดนามสนังเนี่ยนะ บุคคลที่ควรแก่การทำอัญชลีหรือนอบน้อมด้วยใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การทำอัญชลียกมือประนมหรือว่าน้อมลำลึกนอบน้อมด้วยใจนี่นะพระองค์เป็นผู้สมควรที่สุดบทว่าปูชนังก็คือการบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมเครื่องลูปไล่ประเทียบคมไฟเป็นต้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นปูชนังก็คือปูชนียานังนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ถ้าจะมีเครื่องบรรณาการเครื่องสาการะ แต่งเครื่องสักการะไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยจนถึงขนาดของใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาด้วยมาลัยของหอมเครื่องรูปไรเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดสับพังความว่าพราะองค์นี้สมควรคือทรงเหมาะสมแก่สักการะวิเศษดังกล่าวมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหวการชื่นชมลับหลังการ นอบน้อมการสรรเสริญต่อหน้าการทำอัญเชิญการนอบน้อมด้วยใจหรือจะบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายสรุปว่าจะบูชาด้วยอมิตรบูชาปฏิบัติบูบชาหรือบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเช่นใดพระพุทธเจ้าสมควรที่สุดบทว่าเยเกจิโลเกวันทนยาคําว่าชนเหาใดเหล่านึ่งคือคนทั่วไปที่ควรกราบควรไหว้ควรซึ่งการไหว้ในโลก สพรพเพเหตโถข้าแต่พระมหาวีระพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดชนเช่นไรที่เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีในโลกถ้าหากว่าจะไหว้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ไหว้เพราะเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่เจริญเจริญด้วยวัยาวุฒิคุณวุฒิเป็นต้นเนี่ยนะเจริญด้วยคุณงามความดีสมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะชื่นชมกว่า ผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีบุญกุศลทุกอย่างพระองค์เนี่ยดีที่สุดในหมู่ชนทั้งหลายข้อความในบาลีหน้าเกา้ากล่าวถึงว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและฌานพระสารีบุตรนี้ยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูตก็เห็นพระผู้นําโลกคือพระสารีบุตรนั้นไม่ได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกันตอนที่พระองค์ได้เสด็จจากเมืองราชครือไปสู่เมืองกบิลพัทภาษาริบุตรไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยภาษาริบุตรอยู่กับพระภิสุประมาณห้าร้อยรูปที่เมืองราชเครือจำวัดอยู่ที่ภูเขาคิชกูดภาษาริบุตรตอนที่ท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเห็นพระนราสภะมองเห็นโดดเด่นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกที่ออกดอกบานสะพรั่งมองเห็นเหมือนเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้า ในยามวันเพ็ญเนี่ยนะเหมือนกับมองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนขนาดนั้นเห็นพระผู้นําโลกเรืองรองไปด้วยพระสมีวาหนึ่งเหมือนต้นประทีป ท, ที่ลุกโพลงอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงอ่อนๆที่อุทัยขึ้นภาษาริบุตรพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกประชุมพระภิสุ ป, ประมาณห้าร้อยรูปผู้เสร็จกิจแล้วผู้คงที่เป็นพระขี่นาศบไร้มนตินทันทีแล้วก็กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกะปะสาธนะแปลว่าทำโลกให้เลื่อมใสแม้พวกเราก็จะไปถวายบังคมพระชินเจ้าณที่นั้นมาเถิดเราทั้งหมดจกไปทูลถามพระชินเจ้าเราพบพระผู้นำโลกแล้วจักบรรเทาความสงสัยพระพิสูจน์เหล่านั้น เป็นผู้มีปัญญารักษาตนสํารวมอินทรีย์เนี่ยนะรับคำภาษาสาริบุตรวาสาทุแล้วก็ถือบาทจีวรเรียบเข้าไปหาพระเถระพระสาริบุตรผู้มีปัญญามากกับพระภิกษุ ข, ขีนาศทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกที่สูงสุดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธ ระสาริบุตเจ้าคณะใหญ่อันพิสูุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วลีลา ง, งดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธนะท้องนภากาศเหมือนเทวดาพระพิสษุเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะมีมารยาทงามไม่ไอไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าครั้นเฝ้าแล้วก็ดูพระสยัมภูผู้นำโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุทัยในนภากาศเหมือนชมดวงจันทร์ในท้องฟ้า เห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงคือมองเห็นรุ่งเรืองเหมือนกับไฟที่ส่องประกายออกมาเหมือนเห็นสายฟ้าเล็บในท้องฟ้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันพระพิสุท์ทั้งหมดห้าร้อยูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้ำผ่องแผ่เหมือนดอกประทุมที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจ พากันประคองอันชลีหมอบนมมสการณัณทลักษณะจักของพระาศาสดาก็แปลว่ากราบเ ท, เ, ทเท้าของพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธบาทเหมือนกับลักษณะแห่งจักก็เหมือนกับกงจักนั่นเองในอัตถกาถาอธิบายว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ในรมยิรัตนจงกรมพระองค์เสด็จจงกรมอยู่บนที่รัตตนจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนะอยู่นั้นเนี่ยนะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ด้วยลวดลายวิจิตพร้อมกับการแสดงธรรมเป็นต้นภาษาบุตรพร้อมด้วยภิกษุบริวารประมาณห้าร้อยรูปที่อยู่ณนภะูเขาคิชกูตรกรุงราชครึกเนี่ยนะกายโคนะหกสิบโยต์ก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน ครั้งนั้นพระเถระก็ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศกรุงกบิลพัทเหตุ น, นั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูดก็เห็นพระผู้เป็นนายกของโลกอธิบายว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากก็คือมหาปัญญาเนี่ยนะ เชื่อว่าท่านมีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญา16อย่างเช่นปัญญาวัยปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางเหมือนแผ่นดินเป็นต้นนั่นเองอันเชื่อว่าผู้มีปัญญามากท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานเนี่ยนะคำว่าฉลาดในสมาธิคือภาษารีบุตรนี้ฉลาดในการบรรจงตั้งคือฉลาดในการวางจิตให้จิตเป็นไปอย่างสม่ําเสมอในอารมณ์ทั้งหลายอย่างเช่นภาษารีบุตรนั้นฉลาด ในการวางจิตโดยการเจริญเมตตาให้เมตตาของท่านนั้นหลั่งไหลไปอย่างปกติและสม่ำเสมอหรือจะเจริญอสุภะสมาธิที่เป็นอสุภะของท่านก็หลั่งไหลไปอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าท่านจะเจริญกรสินทั้งหลายฌานจิตทั้งหลายของท่านก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านสามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอผู้ที่สามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าผู้มีสมาธิ พันสมาธินั้นลักษณะมีอยู่สามประการด้วยกันสมาธิชนิดมีวิตกวิจารณ์ก็คือสมาธิระดับคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและสมาธิระดับปฐมฌานนั้งหลายสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่มีวิตกมีทั้งวิจารณ์ส่วนทุติยฌานในปัจจกะในเป็นสมาธิชนิดไม่มีวิตกมีเพียงแต่วิจารณ์ถ้าฌานสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกเป็นสมาธิที่ ไม่มีวิจารเนี่ยนะภาษาริบุตรสามารถเข้าสมาธิได้ทุกประเภทและทุกชนิดเนี่ยนะในวิสัยของภาษาวกทั้งหลายเว้นแต่พุทธวิสัยเท่านั้นเองเพราะท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในสมาธิแล้วก็เป็นผู้ฉลาดในฌานนะนะฉลาดในระดับปฐมฌานทุติยฌานจตุทฌานหรือฌานที่เกิดจากการเจริญเมตตาเป็นต้น ท่านก็ฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะมันฉลาดเจริญเมตตาฌานที่มาจากกสินมาจากอสุภะมาจากอาณาปานสติหรือจากพรหมวิหารทั้งหลายทุติยฌานที่เกิดจากกสินเกิดจากอาณาปานสติหรือเกิดจากเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นก็ได้เนี่ยนะท่านสา ม, มารถที่จะเข้าฌานโดยนยะต่างๆโดยแง่มุมต่างๆไดอย่างไม่ขัดข้องเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ โดยปกต <totalmente>. <im> no ิค well, to well. ําว่าฌานเนี่ยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะที่ภาษาริบุตรเป็นผู้ฉลาดในฌานเนี่ยนะฌานสองอย่างที่ภาษาดิบุตรฉลาดมีอะไรบ้างก็คือฉลาดในลักคนูปนิฌานกับอารัมณูปนิชฌานลักคนูปนิสฌานก็คือวิปัสสนาทั้งหลายวิปัสสนาทั้งหลายเรียกว่าลักคนูปนิฌานฌานนี้แปลว่าเพ่งอุปนิสสะก็อุปนิเนี่ยนะอุปนิก็คือเข้าไปเพ่งนั่นแหละเราเข้าไปเพ่งอะไรเข้าไปเพ่ง ลักษณะเข้าไปเพ่งอนิจจาลักษณะเข้าไปเพ่งทุกขลักษณะเข้าไปเพ่งอนัตตลักษณะการที่สามารถเข้าไปเพ่งอนิจจาลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะด้วยวิปัสสนาทั้งหลายนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานกล่าวว่าเข้าไปเพ่งสามัญลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็น ลักษณะที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายอันเห็นว่าอ น, นิจจังเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะหน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระปัญญาที่เข้าไปเพ่งลักษณะเหล่านั้นเรียกว่าลักคนูปนิชฌานทีนี้ถามว่าเมื่อเพ่งอ น, นิจจารักษณะทุกขลักษณะและอนัตตาลักษณะแล้วเผาอะไรได้บ้างเพราะชานี้แปลว่าเผาก็ได้ชาปนากิจก็ดีนะไปทําชาปนากิจ ก, ก็แปลว่าไปเผาแต่เพราะไหนก็เรียกบาลีไปซะ เจียงก็ชาปนากิจก็คือทํากิจคือการเผาถามว่าเมื่อเพ่งลักษณะอ น, นิจาลักษณะทุคลักษณะอนัตตลักษณะเผาอะไรบอกว่าเผาวิปลาสทั้งหลายนนะถ้าเพ่งอณิจาลักษณะเห็นอณิจจรลักษณะก็เผาวิปลาสคือนิจาวิปลาสไม่ว่าจะสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสหรือทิฏฐิวิปลาสก็ทำด้วยอนุภาพของอณิจารุปัสสนจะเผานิจาวิปลาสทั้งหมด ด้วยอนุภาพของทุกขานุปัสนาจะเผาจะเผาอะไรจะเผาสุขวิปลาสด้วยอนุภาพของอนัตตานุปัสนาจะเผาอัตตวิปลาสเนี่ยนะอตตวิปลาสเพราะฉะนั้นอนิจจานุปัสนาเพ่งอนิจจาลักษณะทุกขานุปัสนาเพ่งทุกขลักษณะอนัตตานุปัสนาเพ่งอนัตตลักษณะเมื่อเพ่งอนิจจาลักษณะก็เผานิจสัญญา ถ้าเพ่งทุกขลักษณะก็เผาสุขสัญญาถ้าเพ่งอนัตตลักษณะก็เผาอัตสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมันเรียกว่าลัคนูปนิชฌานมันพระสาริบุตรชํานาญในลัคนูปนิชฌานมันท่านสะความที่ท่านเป็นผู้ชํานาญในลัคนูปนิชฌานท่านพิจรารณารูป ก, ก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาเวทนาก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็เข้าพระสมาบัติได้พผ้รหันทั้งหลาย ถ้าเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแล้วเข้าสมาบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นพระสมาบัติถ้าเจริญนิมิต ท, ทั้งหลายที่เป็นนิมิตของฌานทั่วๆัวไปถ้าเจริญนิมิตแห่งฌานทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าเรียกว่ารูปฌปานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติเพราะว่านิมิตแห่งรูปฌานสมาบัติและอรูปฌานสมาบัติ แต่ถ้าสมถะเคียงคู่กันไปเจริญสมถะเท่าใดพิจารณาด้วยวิปัสนาเท่านั้นเช่นว่าเข้าปฐมฌานเท่าใดออกจากปฐมฌานเสร็จเจริญอนุปัสนาเจ็ดเสร็จแล้วก็เข้าทุติยะฌานออกจากธุติยะฌานเสร็จก็เจริญอนุปัสนาเจออกจากอนุปัสนาแล้วเข้าตติยะฌานออกจากตติยะฌานเจริญอนุปัสนาเจเป็นต้นไล่ไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะนี้แสดงว่าท่านต้องการจะเข้านิโรธสมาบัติ ที่เราสมถะวิปัสนาต้องเคียงคู่กันไปต้องมีปัญญาพระมีสมาธิพระจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้สำหรับพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ผู้ได้อรูปฌานด้วยนั้นภาษาริบบทนั้นเป็นผู้ฉลาดในลักนูปนิชานและอารัมณมูปนิชานเพราะอารัมณมูปนิชานก็คือการเจริญกสินทั้งหลายเช่นปทวีกสิน เตโชกสินวายโอกสินเข้าไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เผานิวร์ทั้งหลายถ้าปฐมฌานก็เผานิวร์เนี่ยนะเผากามฌานถ้ายาบาตีนมิท่อุทธักกุกุจักและวิจิกิจฉาออกไปได้ทุติยฌานเผาวิตกวิจารต์ตติยฌานเผาปีติเจตุทะฌานเผาสุขเหมือนนเะค่อยๆเผาระดับล่างๆขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆภาษารีบทุทเป็นผู้ฉลาดในสมาธิทุกชนิดฉลาดในฌาน ทุกประเภทในวิสัยของสาวกทั้งหลายนี่นะตอนนั้นพระสารีบุตรอยู่ที่ไหนเขาคิดฉกูรอธิบายว่าท่านพระสารีบุตรตรวจดูพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกําลังสิบประการผู้เป็นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกษ์ก็เหมือนมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่สมบูรณ์ไปด้วยอะไรบ้างสมบูรณ์ไปด้วยรากลาต้นกิ่งดอกและผล พระพุทธเจ้านั้นถามว่าพระองค์มีอะไรเป็นรากพระองค์มีศีลเป็นรากรากคือศีลของพระองค์มั่นคงยิ่งนะักมีสมาธิเป็นลำต้นลำต้นของพระองค์นี่ก็คือสมาธิพระองค์มีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายขยายออกไปแล้วก็มีอภินยาเป็นดอกมีวิมุตเป็นผลเนี่ยนะสามัญญผลเป็นต้นเนี่ยนะสามัญญผลก็คือโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและ อรหัตผลทั้งหลายเพราะฉะนั้นลำต้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นลําต้นสมาธิมีศีลเป็นรากมีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาขยายออกไปมีอภิญญาเป็นดอกบานสะพรั่งมีวิมุติเป็นผลเหมือนพระยาสาระมีลําต้นกลมกลึงมีกิ่งประดับด้วยตาตูมผลใบอ่ อ, อนและหน่อที่อวบขึ้นดกมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นเนี่ยนะไปวัดบางแห่งเนี่ยนะ เขมีต้นสาระโดยเฉพาะสาระสายพันธ์ลังกาเนี่ยมันจะมีออกดอกออกช่อด ง, งดงามเนี่ยนะงดงามไม่ทั้งต้นจริงๆนะอย่างที่กล่าวไปนี่แหละไปเห็นหลายๆแห่งนะสาระพันธ์ลังกามันจะมีอย่างนั้นบทว่าจันทร์ดังวะคขคเนยถาความว่าพระสารีบุตรตรวจดูพระมุนีผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจพระองค์ผู้ประเสริฐเหมือนดวงจันทร์ ผู้ทําการกําจัดความมืดคือกิเลสคือความเศร้ามองทุกชนิดแล้วก็กิเลสเนี่ยสมมติว่าตาแดงตาอักเสบเนี่ยทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดฉันใดผู้ที่ใจประกอบด้วยความเศร้ามองก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ถูกความมืดครอบงํากลุ่มรุ ม, รมพระองค์ผู้ทําความแย้มแกดดงโกมุดคือเวนยชนถ้าหากว่ามองพุทธเวไนทั้งหลายผู้ที่พอจะบรรลุธรรมทั้งหลายก็เหมือนดอกบัว เหมือนดอกบวัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ทําให้ดอกบัวเหล่านั้นบานได้หรือพระองค์นี่เป็นเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในฤดูสาธรารณการอันห้อมล้อมไปด้วยหมู่ดาวหลุดพ้นจากอุปสรรคเป็นดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆปราศจากหมอกปราศจากหิมะควันละอองและราหูเป็นต้นที่มาเบียดมาบางังที่จะให้ไม่เห็นดวงจันทร์ฉันใดพระพุทธเจ้านี้ปรากฏณนะท้องฟ้า ให้ภาษารีบุตรเห็นเหมือนกับชมจันฉนั้นเนี่ยนะเหมือนพระจันทร์วันเพลนแล้วเราชมจันชันใดภาษารีบุตรยืนอยู่ที่ภูเขาคิจกูรห่างจากเมืองกบิลพัสหกสิบโยชนมองเห็นพระพุทธเจ้าฉนั้นเหมือนดวงจันในวันเพลน มัชชันหิเกวะสุริยังความว่ารุ่งโรจน์อยู่ดุจ ด, ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเป็นช่อเป็นชั้นด้วยสี่เวลาเที่ยงวันเคยเห็นดวงอาทิตย์เที่ยงวันมีมีทรงกรดแล้วก็มีรัศมีออกมาพุ่งเป็นช่อเป็นช่อฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นต่างกันตรงนี้ว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันออกแหมแพดแสงมีเรียกอะไระผ้าผ้าทิศทรงกรดแสงจ้านี่ยนะ ถ้าดูนานๆานแล้วตาบอดนานแค่ไหนไม่คิงไม่ถึงสามนาทีก็เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่พระพุทธเจ้าถึงจะชมเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีก็ยังดวงตาของผู้นั้นให้เอบอิ่มโดยส่วนเดียวของกั้นเขาบอกว่าไอ้อันนี้สองต้องการมองพระพุทธเจ้ามองด้วยศรัทธาของันอันนี้เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยใสนะเป็นเหตุให้ดวงตาใสบุญที่มองพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เริ่มเรื่มใสใจที่ศรัทธา มองด้วยสายตาอันเป็นที่ที่รักเป็นที่เจริญใจเห็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลผู้สูงสุดอันนี้สงอันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าทำให้ผู้นั้นเกิดมาดวงตาที่ผ่องใสดวงตาที่ไม่ขุนไม่มัวตาไม่เหลตาไม่เขไม่เอียงเป็นต้นก็เป็นคนที่มีสุขภาพตาชั้นเยี่ยมด้วยด้วยเกิดจากสมนานันจะทัศน a n การเพราะเห็นพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น ใครไปดูพระพุทธรูปก็อย่าไปดูติก็แล้วกันพระพุทธรูปก็ยังตำหนิแล้วก็ไม่ต้องกล่าวทั่งอย่างอื่นแล้วว่างั้นยังก็พยายามให้มองด้วยมองแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณอย่าไปมองติดที่สีว่างั้นพระพุทธเจ้านั้นพระ อ, องค์รุ่งเรืองฉลันตังก็คือรุ่งเรืองอธิบายว่าพระ อ, องค์รุ่งเรืองอย่างไรพระวรสารีระสรีระอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดับพร้อมด้วย มหาปริษลลักษณะ3 2สิบสองประการอันอสีตินุพยัญชนะคือรายละเอียดเล็กน้อยทั่วไปในสรีระอีก80อย่างมีพระพักเป็นเหมือนทองงามเนี่ยนะาบอกผิวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็คือเหมือนกับทองเนี่ยนะทองชมพูนุษตปราศจากราคีฉันใดผิวพธุ์ของพระพุทธเจ้าก็ฉะ น, นั้นมีสิริดังพระจันทร์เต็มดวงในฤดูศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าาว่าหน้าเอิบอิ่มนะหน้า หน้าของผู้ที่เขามีความสุขนะนะไม่ใช่หน้าของคนเดือดร้อนหน้าคนลำบากกายลําบากใจไม่ใช่เพราะพระองค์พ้นจากความลําบากทางร่างกายและจิตใจโดยประการทั้งปวงนั้นถ้าสมมติว่าพระองค์เมื่อนิดเดียวก็เข้าฌานก็ร่างกายก็สบายแล้วล่ะว่างั้นนันร่างกายและจิตใจของพระองค์เนี่อยู่ด้วยความสุขจริงๆริงทันร่างกายของพระองค์จึงรุ่งเรืองอยู่ด้วยพระพุทธสิริอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสรีระที่บุญกรรม ที่พระองค์สร้างมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาตกแต่งให้งดงามยิ่งนักเนี่ยในส่วนกรร ม, มชรูปจิตชรูปก็มีมหามารายมหาสมาบัติยานต่างๆของพระองค์เนี่ยนะเป็นปัจจัยแล้วก็อาหารชรูปพระองค์ก็เสวยอาหารมนุษย์ด้วยอาหารทิพด้วยนั้นอิระยาบทพระองค์ก็สปายะพระองค์เกิดอยู่ในสมัยที่อากาศสปายะเนี่ยนะอากาศสปายะนั้นถือว่าเป็นแผ่นดินที่ สงบร่มเรือนนะคราไม่มีมนพิษไม่มีมนภาวะอะไรทันองจึงงดงามมากนะนะแม้ถ้าเกิดเร็ววันนี้หน่อยก็ทันนันแ ล, ละแต่จริงตอนนั้นก็เกิดอยู่แต่มันเกิดเป็นอะไรแค่นั้นเลยเหมือนนบอกว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนอะไรทีปารุกขังวะดุดต้นประทีที่เขายกประทีปเอาไว้ ถ้าเป็นโบราณเลยนะก็คือพูดแบบของเราก็คือโคมไฟที่เขาตั้งไว้ตามที่ต่างๆ น, นนะคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเด่นชัดเหมือนกับมองโคมไฟที่กําลังสว่างนั่นเองตรุรนสุริยงวะอุขตังได้แก่ดุจดวงอาทิตย์อุทัยใหม่ๆใครที่เคยดูดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆเนี่ยนะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่โกดแก้วนะ่ะเห็นชัดงั้นงามมากนดวงอาทิตย์อ่อนๆเพราะเหตุที่อุทัยขึ้นดวงอาทิตย์นั้น ส่องสว่างพอดีไม่ต้องไปลดแสงเพิ่มแสงให้งออ น, นั้นแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงสว่างคงทนคงตัวไม่เหมือนกับดวงจันนะดวงจันมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมแต่ดวงอาทิตย์สว่างคงตัวถ้าดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกขึ้นยามเช้าเนี่ยนะจะงามมากเลยแหละภาษาดิบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นทีรังปัสติโลกนายกังเห็นพระผู้นำโลกนายก็คือพระผู้นำโลก แล้วก็ทีรังก็ผู้เป็นปาฏเนี่ยนะผู้เป็นปราฏของโลกพระผู้นำโลกพระผู้เป็นปราฏของโลกเนี่ยน ะ, ะผู้นำโลกก็นำโลกออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายนำออกจากสังสารทุกข์นาออกจากความทุกข์ <ms> ทีนี้พระองค์เป็นปราฏของโลกก็คือช่วยช่วยบอกโลกช่วยแนะนำให้ชาวโลกรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเหตุแห่งความเจริญรู้จักเหตุแห่งความเสื่อมฉะนั้นพระองค์จึงเป็นปาฏผู้ชี้แจงแสดง ให้โลกรู้จักความดีความชั่วรู้จักอะไรควรเจริญอะไรควรละเนี่ยนะ